บทที่16ความรู้สึกครั้งแรกเมื่อเดละทิ้งกายเนื้อมาครองกายทิพย์โดยสมบูรณ์ท่านอาจจะเคยได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับโลกทิพย์และความเป็นอยู่ของผู้ครองกายทิพย์มาแล้วเป็นอันมากก็จริงในระหว่างนั้นกล่าวคือในระยะก่อนที่ท่านจะได้หลุดจากกายเนื้อซึ่งชาวโลกมนุษย์สมมุติเรียกกันว่าความตายนั้น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 ท่านอาจจะนึกฝันไว้ล่วงหน้าเท่าใดเท่าใดก็ได้แต่เมื่อขณะนั้นมาถึงเข้าท่านก็จะต้องได้พบความประหลาดใจที่สิ่งที่ท่านนึกฝันไว้ต่างๆนานานั้นไม่เท่าเทียมกับความรู้สึกอันแท้จริงที่ท่านจะต้องประสบด้วยตนเองในขณะอันสำคัญเช่นนั้นเลยทุกๆท่านที่ได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์แล้วก็จะรับรองในความจริงเช่นนี้เหมือนกันหมดว่า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 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาของโลกมนุษย์ก็จะไม่มีพอที่จะบรรยายให้แจ่มแจ้งชัดเจนได้ดังนั้นยิ่งบรรยายมากไปชาวโลกมนุษย์ก็มักจะยิ่งไม่เข้าใจและผลสุดท้ายก็เลยยิ่งไม่เชื่อหนักขึ้นอีกตัวอย่างเช่นการบรรยายถึงความสวยงามของดอกไม้และภูมิประเทศเป็นต้นเราชาวโลกทิพผู้ซึ่งได้ผ่านเข้ามาเห็นของจริงด้วยตนเองแล้ว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 ถ้ากล่าวถึงอบายภูมิก็ต้องว่ามีความทุกข์ทรมานมากลำบากเหลือแสนเป็นต้นคำบรรยายเหล่านี้เราชาวโลกทิพย์ผู้ได้ประสบและเห็นแจ้งกระจมาแล้วยอมรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายใกล้เคียงความจริงแม้แต่น้อยแต่เราก็ไม่สามารถจะอธิบายให้ชาวโลกมนุษย์ทราบให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรเราก็ได้แต่ภาวนาขอให้เข้ามาเห็นด้วยตาของเขาเอง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 สำหรับผู้ที่เคยติดอยู่กับกายเนื้อคิดว่ากายเนื้อเป็นตัวของตัวที่แท้จริงติดอยู่ในสันดานมาเป็นเวลานานนั้นยอมเป็นของที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่อย่างบอกไม่ถูกทีเดียวมันคงจะมีความรู้สึกอันนาพิศวงลึกล้ำเหนือความรู้สึกใดๆที่เราได้ประสบมาในชีวิตในสมัยที่ยังครองกายเนื้ออยู่มากนักในการตอบคาถามเช่นนี้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 มักพากันมองข้าพเจ้าในแง่ร้ายต่างๆนานาซึ่งต่อมาเขาก็ได้บอกกับข้าพเจ้าว่าเขารู้สึกดีใจไม่น้อยที่ไม่ได้คิดเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นบ้าหรือถูกมารสิงเหมือนกับบุคคลอื่นๆอันที่จริงเมื่อเขาเป็นมนุษย์อยู่นั้นก็เป็นเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆทั้งหลายโดยทั่วไปนั่นเองคือมิได้มีความรู้ว่ามนุษย์เรานี้เมื่อตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง เขารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกลับสําหรับมนุษย์เสียละเกินและคงเป็นเรื่องพ้นวิสัยที่มนุษย์จะเข้าใจได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดเป็นใ น, นทํานองนี้แล้วเขาจึงไม่ได้พยายามแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แต่อย่างใดคงคิดเอาง่ายๆว่าถึงเวลาเข้าก็คงจะรู้ได้เองอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่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 เขาก็ไม่ได้มีความรู้แจ้งหรือวิตกกังวลอย่างใดนักตลอดที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเขาไม่ได้กระทากิจทางศาสนาเช่นสวดมนต์ไหว้พระแต่อย่างเดียวแม้ในเรื่องที่ต้องติดต่อกับผู้อื่นเขาก็พยายามอุตสาหะทําความดีตลอดมาเขาไม่เคยวางเฉยหรือดูดายในเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์ร้อนหากไม่เป็นการเหลือวิสัยจริงๆแล้ว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 เขานึกฝันเอาเองว่าโลกหน้าคงจะมีสภาวะ ม, มืดมืดมัวมั ว, มวคล้ายกับเมืองในหมอกและคงจะมีการสวดมนต์ภาวนาสรนเสริญพระผู้เป็นเจ้ากันแทบตลอดทั้งวันดังนั้นเมื่อได้มาเห็นโลกที่สวยสดงดงามยังไม่เคยคิดคาดฝันมาแต่ก่อนเลยเป็นโลกอันแท้จริงที่แจ่มใสสดชื่นไม่มีสภาวะเป็นเมืองในหมอกหรือเป็นภาพเงาๆอย่างใดเช่นนี้ทําให้เขานี่ครั้งแรก ถ้ไม่เชื่อสายตาของตนเองเบื้องหน้าและรอบกายของเขาเป็นภูมิประเทศอันเจริญตาเจริญใจเป็นอย่างยิ่งมีแม่น้ําลําทานไม้ดอกไม้ผลภูเขาและที่ราบบ้านเมืองและตึกรามใหญ่น้อยเช่นนี้ทําให้เขาอดนึกไม่ได้เลยว่าภาพที่เห็นเบื้องหน้านั้นก็คงจะเป็นความฝันเสียมากกว่าและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาแล้ว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 เขายัางดื้อคิดว่าโลกทิพนี้เป็นโลกของความฝันอยู่พักใหญ่และนี่คือความรู้สึกครั้งแรกของเขาหลังจากได้หลุดจากกายเนื้อมาแล้วครั้งแรกที่เขาเตื่นขึ้นมานั้นเป็นการฟื้นขึ้นมาภายในบ้านอันสวยงามหลังหนึ่งเขารู้สึกตัวว่ากำลังนอนอยู่บนเตียงนอนอันอ่อนนุ่มและแลเห็นสหายกล่าของเขาคนหนึ่งกาลังนั่งอยู่ข้าง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 เขากำลังฝันไปเป็นการฝันที่ดีที่ทำให้เขามีความพาสุกมากแต่มันก็ทำให้เขาได้รับความทรมานใจและหวั่นวิตกมากเหมือนกันเพราะมันเตือนให้เขารู้สึกอยู่เสมอว่าอีกไม่ช้าภาพบนสวยสดงดงามและความรู้สึกอิ่มเอเิบเบิกบานใจเช่นนี้ก็คงจะหายวับไปเช่นเดียวกันกับในความฝันทั้งหลายที่เขาฝันมาหลายตัวหลายครั้งแล้วฉะนั้นและต่อจากนั้น เขาก็คงจะตื่นขึ้นมาเป็นคนป่วยเช่นเดิมเอ็ดวินได้กล่าวว่ากว่าเขาจะรับเชื่อได้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ความฝันก็เป็นเวลานานโข อ, อยู่แต่รู้สึกว่าสหายของเขามีความอดทนและมีอารมณ์เย็นเป็นอย่างยิ่งในขณะที่แน่ใจว่าไม่ใช่ความฝันเขาก็รู้สึกว่าเกิดมีความปีติปราโมชอย่างที่ไม่เคยมีมาตแต่ก่อนเลย ต่อจากนั้นเขาจึางเริ่มกระทาอย่างที่รู้กับข้าพเจ้าหรือคนอื่นกระทา ม, มาแล้วนั่นเองคือออกตระเวนท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆด้วยความตื่นเต้นยินดีบัดนี้เขาได้เป็นผู้มีอิสระพร้อมทั้งกายและใจไม่ต้องถูกมัดอยู่กับพันธะหรือความลำบากและทรมานอย่างใดๆโดยสิ้นเชิง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 ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าเธอไม่ได้นับถือศาสนาก็หาไม่แต่เพราะว่าทัศนคติของบาทหลวงที่สอนกันอยู่นั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยจะตรงกันเท่าที่ทางพระคือบาทหลวงสอนกันก็มีการกาเกณฑ์บังคับให้เชื่อซึเป็นส่วนมากดูเหมือนจะไม่ให้ใช้เหตุผลหรือปัญญาเสียเลยนอกจากนั้นเ่อรู้สึกเอาเองจากส่วนลึกของหัวใจว่าคาสอนเรื่องโลกหน้าก็ดี เรื่องวันพิาพากษาโทษมนุษย์ก็ดีนั้นน่าจะมีอะไรผิดพลาดไปหลายอย่างเสียแล้วความรู้สึกเช่นนี้ทำความลำบากและอึดอัดให้แก่เธอมากในเมื่อต้องคบหาสมาคมกับผู้อื่นทั้งฝ่ายพระและคารวะซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกันคำสอนเรื่องที่ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นผู้ทำบาปหรือเป็นผู้รับมรดกบาปอย่างชนิดเวงหาเช่นนี้เธอรู้สึกเอาเองว่าเป็นความอายุติธรรมอย่างยิ่ง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 เธอมีความการุณามากกว่าพระเจ้าเท่านั้นเองซึ่งจะเป็นไปได้อย่างไรด้วยเหตุต่างๆดังกล่าวมานี้ทำให้เธอมีทัศน์เชื่อส่วนตัวของเธอเช่นนี้หากพวกพระทั้งหลายได้ทราบเรื่องเข้าแล้วคงจะพาการตื่นตกใจในความเห็นอันแวกแนวเช่นนี้อย่างขนาดใหญ่และคงจะต้องกล่าวหาเธอต่างๆนาน า, นาเป็นธํานองว่าวิญญาณของเธอคงจะได้รับโทษทัน อันไม่รู้จบเป็นแน่ในฐานะที่มีความคิดอุตริวิตฐานเช่นนี้แต่รูธก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนหัวดื้ออาการอยู่เหมือนกันเพราะเธอไม่เคยหวั่นวิตกในความคิดแวกแนวเช่นนี้แต่อย่างใดเธอคงยึดมั่นอยู่ในอุดมคติส่วนตัวของเธอเองไม่ดูดาในความทุกข์และความเดือดร้อนของผู้อื่นพยายามขวนขวายหาวิธีช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไปตามกำลังความสามารถและไม่เคยคิดหรือกระทาการใดๆเพื่อเบียดเบียนและประทุษร้ายผู้อื่นเลยเธอไม่ได้มีความหวาดกลัวต่อความตายเท่าใดนักเพราะนึกเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆเธอก็คงสามารถเผชิญหน้ากับมันได้อย่างอาจหารและอนาคตของเธอหลังจากมรณกรรมแล้วก็คงไม่มืดมัวเกินไปนัก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 อันสวยสดงดงามของภูมิประเทศรอบข้างซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่เบื้องหน้า น, นั้นแล้วสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งก็คือความแจ่มใสของบรรยากาศนั่นเองเธอรู้สึกทันทีในขณะแรกที่ลืมตาขึ้นว่าเอเชนัยบรรยากาศของสถานที่นี้จึงแจ่มใสอย่างชนิดที่เธอไม่เคยนึกฝันว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เลยไม่มีหมอกหรือฝ้าหรือสิ่งอื่นใดที่จะทําให้เกิดความมัว ในบรรยากาศโดยรอบเลยแม้แต่น้อยแล้วรู้สึกว่ากำลังแห่งสายตาของเธอนั้นดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเพราะรู้สึกตัวได้ทันทีว่าสามารถมองออกไปเห็นผู้มิประเทศได้อย่างระยะไกลเหลือเกินความจริงเธอเป็นผู้มีจักสุประสาทละเอียดมาแต่เดิมแล้วคือสามารถแยกยะสีสันวันนาต่างๆได้ดีกว่าผู้อื่นแม้ในด้านการดนตรีเธอก็มีโสตประสาท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 คอยแต่จะรู้สึกว่าเป็นภาพลวงตาเที่ร่ำไปเธอคิดว่าถ้าจะนับตามเวลาในโลกมนุษย์ก็คงจะกินเวลาหลายวันอยู่กว่าเธอจะไว้ใจในสภาวะความเป็นอยู่อันใหม่เช่นนี้ได้ต่อจากนี้ข้าพเจ้าจะขอนำท่านไปพบกับบุคคลอีกผู้หนึ่งซึ่งเมื่อครั้งเป็นมนุษย์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 ก็รู้สึกว่าคาสอนที่ขู่เข็นต่างๆก็ดีความเชื่ออันงมงายไร้เหตุต่างๆก็ดีล้วนพังคลื่นลงมายังไม่เป็นท่าเลยทั้งสิน้นท่านรู้สึกว่าท่านได้มีชีวิตอยู่ใต้ข้อบังคับขู่เข็นจุกจิกจิกของพวกพระในโลกมนุษย์ซึ่งมากด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆในโลกคลิปนี้เป็นไปตามธรรมชาติจริงๆไม่ยุ่งยากกวนใจเลอเทอะและเต็มไปด้วยอคติต่างๆเหมือนในโลกมนุษย์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 และในด้านจิตใจไม่มีเรื่องของการขู่เข็นคุกคามหรือกดขี่ทุกประการมาเหตุเพิ่มเติมจากผู้บันทึกเสียงให้สังเกตความรู้สึกของผู้ที่ใช้เหตุผลเป็นปกติอย่างรู้ในเรื่องนี้ท่านเป็นผู้ช่างพิจารณาจนเห็นข้อขัดแย้งในคำสอนแต่ก็ยังศรัทธานในความดีในพระเจ้า เพงแต่เชื่อคําที่บอกต่อกันมาไม่ลงและคิดว่าน่าจะสืบต่อกันมาผิดพลาดการคิดแบบนี้นะับเป็นการพัฒนาจิตที่ดีมากเพราะไม่สักแต่ว่าเชื่อแต่ตั้งข้อสงสัยในหลักความจริงซึ่งใช้มโนธรรมปกติก็พิจารณาได้ไม่ยากว่าสิ่งที่สอนกันนั้นขัดแย้งกับจิตสํานึกทางฝ่ายคุณธรรมและความเป็นจริงหรือไม่นับเป็นสิ่งที่ศาสนิกทุกศาสนาควรเอาอย่างคือไม่ใช่สงสัยไปทั้งหมดนะครับ แต่ให้สงสัยถ้ารู้สึกขัดแย้งกับคุณธรรมภายในใจซึ่งบางทีก็เป็นแค่ระดับเบื้องต้นเท่านั้นที่หากคิดกันได้จริงๆการอ้างพระเจ้าทำร้ายกันก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนทั้งนี้คำว่าสงสัยไม่ใช่แค่สงสัยและด่วนตัดสินว่าไม่ใช่ไปตามจิตสำนึกของตนเท่านั้นนะครับเมื่อสงสัยและคิดว่าไม่ใช่ก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจอย่างคนพูดหลายคนนะครับ ก็สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตีความเอาเองว่าแบบนั้นผิดแบบนี้ผิดถึงกระทั่งกล่าวใส่ร้ายว่าพระไตรปิฎกไม่น่าเชื่อถือโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกให้จบเลยสักครั้งไม่เคยสนใจศึกษาให้จริงการจะตัดสินอะไรว่าสิ่งใดถูกหรือผิดก็ควรศึกษาให้เข้าใจบางคนก็เป็นถึงระดับครูบาอาจารย์เป็นสํานักดังก็ยังสอนผิดตีความพระไตรปิฎกผิดยังไม่น่าเชื่อเช่นกันนะครับ สำหรับเรื่องการบิดเบือนคำสอนก็มีตัวอย่างเยอะนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในอดีตนั้นหลายศาสนามีบทบาททางการเมืองการปกครองโดยตรงจึงเกิดการยัดคำสอนหรือตีความเพื่อผลประโยชน์หรืออำนาจของตนเองได้คำสอนหลายอย่างจึงดูขัดแย้งกับแกนหลักของศาสนาและบางทีดูแล้วไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าจะออกมาจากปากพระศาสดาที่ท่านมีจิตเปี่ยมด้วยเมตตาในระดับสูง ได้อย่างที่สอนต่อกันมาเลยประสบการณ์ตรงของผมเองก็เป็นเช่นกันนะครับคือตั้งแต่เด็กเรียนคําสอนจากนิกายหนึ่งยิ่งเรียนก็ยิ่งสงสัยเพราะบางประโยคหาเหตุผลที่เชื่อไม่ลงจริงๆจนต้องไปเรียนอีกนิกายหนึ่งก็ยังลงใจเชื่อไม่ได้ทุกมุมจนมาศึกษาพระไตรปิฎกถึงได้หายสงสัยนะครับซึ่งพอเข้าใจระดับหนึ่งกลับทาให้เข้าใจคาสอนของคริสต์ดีขึ้นด้วยซ้าเห็นชัดนะครับว่า ท่านสอนในลักษณะปุคลาธิฐฐานอย่างไรและจุดประสงค์เพื่ออะไรทําไมถึงสอนแบบนั้นการสอนคนในภูมิภาคนั้นทําไมค่าสัตว์เป็นอาหารไม่บาปเพราะถ้าบาปคนก็จะไม่นับถือเพราะดินแดนกันดานหาพืชผักได้ยากไม่ทําก็อดตายคนท้องหิวจะสอนคุณธรรมได้ยากมากเป็นความจําเป็นทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นต้องสอนในแบบนั้นไปก่อนคําสอนหลายอย่าง ก็เป็นกุศโลบายหรืออธิบายทางอ้อมเพื่อจูงให้คนทำดีเว้นชั่วซึ่งเหมาะกับจริตปัญญาของคนในระดับเบื้องตน้นลองนึกนะครับว่าถ้าสอนเรื่องอนัตตาเรื่องนิพพานจะเข้าใจได้หรือไม่ของดีที่สุดไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคนเด็กเล็กก็ต้องเล่าแบบนิทานจะมานั่งอธิบายสูตรเคมีคงเข้าใจไม่ได้นะครับยังไม่นับการตีความคาสอนที่แตกต่างกันได้ตามแต่กิเลสและปัญญาของแต่ละคน ซึ่งปัญหาใหญ่เกี่ยวกับคำสอนทางศาสนานั้นคือการตีความอย่างไรให้ตรงกับจิตนาโรมที่แท้จริงของพระศาสดาหลายศาสนาแม้แต่ของพุทธเองก็เกิดปัญหาในแนวนี้เช่นกันด้วยการที่ศาสนิกตีความคำสอนที่แตกต่างกันซึ่งแน่นอนว่าคนยังมีกิเลสก็ยอมตีข้อความไปตามทิฏฐิทันหาและปัญญาของตนการจะเข้าใจพุทธวจนะหรือธรรมะต่างๆได้จริงนั้นต้องบรรลุธรรมก่อนเท่านั้น นอกนั้นก็ยังเป็นเพียงความเชื่อและยังเข้าใจผิดได้จึงไม่ควรรีบเชื่ออะไรหรือเพื่อใจไว้เสมอราบแต่ที่ยังไม่บรรลุธรรมไม่อย่างนั้นก็จะโดนกิเลสในจิตของตนเองหลอกให้ตีความคำสั่งสอนจนเป็นมิจฉาทิฐิไปได้เรื่องการตีความคำสอนผิดจากความเป็นจริงนั้นจะพบเห็นได้ทั่วไปในทุกศาสนานะครับจึงควรระมัดระวังในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง